ให้ดูความทุกข์แต่เราก็ไม่ได้เห็นไม่รู้เพราะที่เราไม่รู้นั่นเพราะว่าสิ่งเรานี้มันปกปิดอยู่เออเพราะขาดการพินิษฐพิจารณามันปดปกปิดอย่างไรเราก็น้อมดูที่เวลามันนั่งนานๆลืดเยินนานๆมันปวดแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเสีย น, นั่นแหละเหตุฉะนั้นนะการประพฤติปฏิบัติท่านว่านั่งให้มันเห็นทุกข์ให้มันรู้ทุกข์กำหนดให้มันรู้ อะไรเป็นทุกข์ทุกข์มันเกิดจากอะไรเราพยายามแยกแยะขี้คายเมื่อเราแยกแยะขี้คายให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายแล้วคลายความกำหนัดไม่มีความยินดียินร้ายแล้วนั่นละ่ะหมดเชื้อแล้วเออเราก็ปล่อยไปวางไปตามสภาวะความเป็นจริงของเขานั่นมันเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้ เรายังไม่พิจารณาให้ถึงขนาดนั้นเออเหตุนั้นนั้นจึงว่าภาวิตาบางโหริกาตาทำให้มากจเจริญให้มากเราจะอยู่ียรยาบทไหนเราก็ให้มีสติอยู่ให้มันมีสติอยู่เพียบพร้อมทุกอยรยาบทนั่นแหละการภาวนาอยู่ที่นั่นไม่ใช่ว่าจะมานั่งหลับตาจึงกับเป็นการภาวนาไม่ใช่การภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่สติเมื่อขาดสติแล้วก็ขาดการภาวนา คือให้รู้อยู่ทุกกลมหายใจเข้าออกนั่น่ะคือความแก่ความเจ็บความตายมันตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันอยู่แค่นี้แต่เราก็ไปเพลินเออ่ที่มันเพลินนั่นก็เพราะมันปกปิดทุกขเออมันให้หลงให้ลืมอยู่นี่นแหละเออฉะนั้นเมื่อความแก่เข้ามาเออเราไปเห็นแต่คนแก่คนเดินสามขา หรือว่าผมงอกฟันล่วงเส้อเราจึงจะเห็นว่าเป็นคนแจ่นั่นอ่ะมันมันไกลกันเออมันไกลจากธรรมไปเสียเขาเรียกว่าตามหลักธรรมแล้วเรียกว่าผู้ประมาทเออเมื่อเราย้อนพิจารณาอยู่ลุกทุ ก, ล, กลมหายใจเข้าออกกำหนดอยู่จะเดินจะยืนจะนั่งจะดื่มจะทำอะไรงานอะไรอยู่ทุกอย่างก็ให้มีการพิจารณาการกำหนดพินิพิจารณาอยู่ นั่นแหละความไปประมาเกิดขึ้นเราก็เล่งลระบายเอเพราะสติเราพร้อมเมื่อสติเราพร้อมการภาวนาของเราก็ไม่ขาดเมื่อภาวนาไม่ขาดเออความชั่วมันเกิดมาเราก็รู้เนี่ยมันปรุงขึ้นมามันแต่งขึ้นมาที่ใจนั่นแหละอืมเนีย่ยแต่ว่าท่านยังว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร น, นั่นวิญญาณ น, นั่นอ่ะขันเราอาศัยขันอันนี้ หรือว่ากองหรือว่าหมวดหมู่อืรูปเป็นส่วนหยาบหมายถึงธาตุสีดินน้ำไฟลมเรียกว่าหาภูตะลูกอันเนี้ยรูปหยาบท่านเอาเอาอันนี้เรามาพิจารณาก่อนอย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นมันเป็นรูปเป็นอีกอันหนึง่ง เ, เรียกว่านามธรร ม, า อ, มอย่างความทุกข์ความสุขความไม่ทุกข์ความไม่สุขสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็เอามาพินิจพิจารณา ถ้าเราไม่พินิจพิจารณาอย่างความทุกข์ความเจ็บมันเกิดขึ้นเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นท่านก็ไม่มีความยินดียินไายเออความเฉยเฉยเกิดขึ้นท่านก็ให้เอากาหนดพิมาพินิจพิจารณาเมื่อมาแยกแยะที่ผายถ้าเราไม่กำหนดอย่างเรานั่งไฟนั่งไปมันมีความสุขเกิดจิตความกวดเกิดจิตสงบเข้าถ้าเราไม่เอามาพิ ทีนี้พิจารณามันก็ขาดตอนไปเสียเออขาดการภาวนาไปเสียนั่นละ่ะสิ่งนี้มันจะขาดตอนมันอยู่อยู่ตรงนั่นหละ่ะตรงที่เราไม่ไดเอามาน้อมนํามาพิจารณาอืมมันเลยเผลอเผลอไม่นานแล้วก็เกิดหลับแล้วง่วงหลับนั่นละ่ะนั่นละ่ะทีนิมิถะเรียกว่า น, นิวรนเข้ามาครอบงําใจเราก็พยายามแยกแยะที่ใครเอออย่าให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นคือนิวรนเออ ความง่วเอาจ้าๆนอนพยาบาทเออความฟุ้งซ่านลาคาญเออความรังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้มันมากงอบ ม, มันครอบงําจิตของเราเราพยายามแยกแยะที่ภายอืถ้ามันง่วงเราก็หาบทธรรมหาบทธรรมมากํากับเอออย่างมันง่วงมากเราก็กําหนดหาธรรมมาสาธยายนั่งอยู่คนเดียวหรือว่านั่งอยู่กับหมู่เนี่ย กำหนดพิจารณาทำสวดไหนเราเคยใช้ล้ว เ, เคยพิจารณาออกมาสาธายายให้ใจมันสงบ เ, เลิกวงอันเนี้มันก็หายวุ่นได้นั่นแหละการฤรติปฏิบัติเราต้องหาอุบายแยกแยะแก้แก้ไข เ, เวลามันเกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันนั่นแหละอย่างอดีตที่มันผ่านไปแล้วเราจะเอามาแก้ก็ไม่ได้อนาคตยังไม่มาถึงเราจะเอามาแก้ก็ไม่ได้ เราต้องเอาเอาเวลาปัจจุบันธรรมเวลานี้ขณะนี้ <c oughs> มันแก้มันจิงจะทันมันทานกนอุบายของกิเลสอออย่างเรานั่งเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจิตมันสงบว่าสบายความความความปวดความเมื่อยความขบไม่เกิดขึ้นจะเอาตรงนั้นมาใช้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอดีตผ่านไปแล้วให้เอาปัจจุบันน่รทำดูเวลานี้ขณะนี้ จิตของเราไปคล้องเอไปติดอยู่ส่วงไหนเอไปอหลงพะวงอยู่ในส่ ว, สวนช่วงไหนเราก็พยายามกําหนดแยกแยะที่ใครเพราะทํามันเกิดอยู่ทุกทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกแต่มันที่ไม่รู้นั่นก็เพราะว่าเราพยายามวิ่งไปตามสัญญาลมข้างนอกมันเลยไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำมันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ฝ่ายดีก็เป็นธรรมฝ่ายชั่วก็เป็นธรรมมันเป็นอุบายสอนใจของเราทั้งนั้นถ้าเรามากําหนดพินิจพิจารณาเหตุนั้นลูงปูล่าท่านว่าคู่ที่แสดงธรรมเนี่ยเออแสดงอยู่ตลอดเอออยู่ทุกเวลาทุกวินาทีแต่สําคัญอยู่ที่ผู้จะฟังนั่นนะ่ะเออสาคัญผู้ที่จะฟังเออกวหมายถึงการพินิจพิจารณานั่นแหละ ต่างคนต่างกําหนดต่างคนต่าง พ, พิจารณาที่พูดนั้นนเป็นอุบายเฉยๆทาแท้อยู่ที่ใจของเราแต่นั้นเวลานั่งกําหนดทำมันจะเกิดขึ้นเราก็รู้ความดีเกิดขึ้นเราก็รู้ความชั่วเกิดขึ้นเราก็รู้เมื่อความชั่วเกิดขึ้นเราก็พยายามแยกแยะชี้คายละเสียถ้าทําดีเกิดขึ้นคือกุศลธรรมเราก็พยายามจเจริญให้มันมากขึ้นมากขึ้น นั่นล่ะใจของเราก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเ อ, อการประเพฤติปฏิบัติก็ก้าวหน้านั่นล่ะมันเป็นอย่างนั้นการประเพฤติปฏิบัติที่มันยังไม่ก้าวหน้าเพราะมันก็ย่ําอยู่กับที่เ อ, อคือมันไม่ก้าวหน้ามันไม่เดินข้างหน้าเลยนั่นก็เพราะการประพฤติปฏิบัติมันขาดช่วงอืมมันไม่ติดต่อกันเพราะเราขาดสติเราเพลินไปตามสัญญามรมเลยเสียเออ ไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามผลสะพะเรียกว่ากา ม, มาคุณเออสิ่งเหล่านี้มันเป็นทั้งกรรมมาคุณเป็นทั้งโทษเออมันใช่ไม่ใช่คุณแหละเ อ, อมันเป็นโทษนั่นแหละมันโทษโทษที่ใจมันเป็นโทษอยู่ที่ใจพาให้ใจของเราเศร้าหมองคุณมัวเออจะเป็นวัตถุกรรมก็ตามเออถ้าเราไปหลงไปลวงงายปีมัวเมา ก็ทําให้ใจเราเศร้าหมองคุณมัวเสีย เ, ออเพิดเพลินไปตามสัญญารมไปเสียนั่นละ่ะเนี่ยฉะนั้นจะเป็นอิทธาลมอนิธาลมก็ตามท่านให้แยกแยะที้คายจะเป็นอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ชั่วก็ตามให้เอาสิ่งเหล่านี้แหละมากําหนดมาพินิจพิจารณามันสมควรแจ่ใจของเราสมควรแจอการฝึกปฏิบัติเพราะมันเป็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นนามธรรมา เราเอาสิงที่เป็นนามธรรมมาแล้วกรร ม, มาประพฤปฏิบัติแต่เราก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปปัตธรรมคือร่างกายกุ้งศอกเจาวานาคืบนี่แหละมาเป็นเครื่องมือการประพฤปฏิบัติถ้าเราไม่มีอันนี้เราก็ไม่สามารถประพปฏิบัติได้่ถ้าเราไม่มีรูปไม่มีกายไม่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราก็ไม่สามารถประพปฏิบัติได้อันนี้แหละทำแท้อยู่ที่กุ้งศอกเจาวานาคืบ อยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่เราไปเข้าใจว่าทำอยู่ในตำรับตำราอยู่ในพระไตรปีดกนั้นอันนั้นเป็นชื่อของธรรมเฉยๆเอออเป็นชื่อของอย่างความทุกข์มันจะเราจะอ่านอยู่ตลอดวันก็ไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรถ้ามันมาเกิดที่กว้วงศอกยาววานาะคืบถ้าเราไม่ได้แยกแยะกําหนดพินิจพิจารณาเราก็ไม่เข้าใจเราก็ มีความอุปาทานยึดมั่นถือมั่นไปเสียเอออันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอะไรก็ของกูหมดเมื่อสิ่งเหล่านี้มันพัดภาคจากเราไปเอออย่างทรัพย์สินเงินทองวัตถุข้าวของนี้มันสลายไปตามสภาวพความเป็นจริงของเขาใจของเราก็ห่อเหี่ยวเสียวซะใจของเราก็เศร้าหมองเสียนั่นเพราะอะไรละ่ะเพราะขาดการพินพิจารณา ถ้าเราเอามาแยกแยะมาพินิจพิจารณาว่าวัตถุสิ่งของเหล่านี้มันเป็นวัตถุธาตุอะเป็นสมบัติโลกเออเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเ อ, อแล้วแต่สติปัญญาแล้วแตอ่อความขยันหมันเพียนของใครถ้าเรามีความขยันหมันเพียงเราก็ครอบครองได้มากถ้าเราขี้เกียจขี้ค้านเราก็ไม่มีเออเป็นคนจนไปเสีย น่มันเป็นอย่างนั้นเออถ้าเราขยันมันเพี้ยนล้วก็ครอบครองได้มากเมื่อครอบครองได้แล้วเราก็พยายามแยกแยะที่คายว่ามันเป็นสมบัติของโลกเออมันเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆอย่างนี่แหละเออทรัพย์สมบัติอย่างพ่อแม่ของเราแต่ก่อนก็ครอบครองมาเออพอครอบครองไปแล้วท่านละจากโลกไปนี้เราตายท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยเราก็มาเปลี่ยนมือเป็นของลูกของหลานไปเสียนั่นมันเป็นอย่างนั้น เพรมันเป็นสมบัติของโลกแต่เราไม่เข้าใจอันไหนกัของกูอะไรของกูของกูหมดมันก็เลยไปยึดเนี่ยแตนั้นท่านพยา ย, พยามแยกพยายามขี้คายคลายขี้คายอุปาทานตัวนี้แหละกระทั่งก้องศอกยาวานาคืบเนี่ยถ้าเราแยกแยะขี้คายออกมาได้แล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดหรือมันเอ่อเป็นไปตามสภาวะความเป็นจริงของเขา อันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนตัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่เสียใจละบัดเพราะเราได้กําหนดพินิจพิจารณาเราอาศัยกวางธาตุสีดินน่ารวมไฟกว้างสอบยาวานาคือมาสร้างคุณงามความดีอืมสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเกิดขึ้นที่ใจบุญนั่นก็เป็นนามาธรรมเออใจนั้นก็เป็นนามาธรรมมั น, วนควรคู่แก่กันซึ่งกันและกันแต่อัน ธาตุน้ำดินน้ำลมไฟนี่มันเป็นสมบัติโลกไม่มีใครสามารถจะเอาไปได้นั่นเมื่อหมดลมปานแล้วหรือวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ต้องสละทิ้งไว้นี่เป็นภาละของปู่อยู่ข้างหลังเทียนั่นเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นอยู่แต่เราขาดการพินิจพิจารณาเนยแนั้นท่านยังว่าให้กำหนด ย้อนเข้ามาโอปาญิโกต่างคนต่างกำหนดต่างคนต่างย้อนเข้ามาพิจารณาเมื่อย้อนวันนั้นพิจารณาวันนี้บ้างวันนี้ น, น, น, นั้นบ้างเออสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเอ อ, เออเห็นได้พิจารณาได้เห็นได้เพราะมันมีสิ่งที่มันมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้เรามันยังเพิดเพลินยังหลุ่มหลงอยู่วา่าเรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเรายังไม่ตายเออ สิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นเราก็เลยหลงลืมอยู่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราจะผัดวันประกันพรุ่งก็ไม่ไดออ้อย่างความตายมันเกิดขึ้นเราจะข อ, อ, อวันนั้นวันนี้เดือนนั้นปีนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อถึงไ อ, อถึงวางถึงข้าวถึง อ, อ, อายุไขแล้วมันก็ต้องไปตามสภาวะความเป็นจริงแต่นั้นท่านจงให้กาหนด ให้พิจิรพิจารณา อ, อ, อย่างความตายเ อ, อมันตายอยู่ทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกท่านก็บอกอยู่แล้วออสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจง เ, ออเป็นของไม่เที่ยงแต่เราจะพยายามบังคับอย่าให้มันเที่ยงถ้ามันอยู่คงถาวร อ, อยู่ก็ไม่ได้ เ, ออเพราะเราไปยึดออไปมั่นหมายเขา เ, ออเราไม่ได้เอามาแยกแยะที่ขายพินิตพิพจารณา เนี่ยะนั้นการภาวนาเอิ้นให้ก็ให้น้อมเข้ามากำหนดเข้ามาให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงเอออย่างรูปมันตกอยู่ในสภาวะเออความไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเออดินน้ำลมไฟถ้าสิ่งเหล่านี้มันยังมีความสามาัคคีความปองดองกันอยู่ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์เออ เราไปหลวงอยู่แค่มนุษย์ออแค่สัตว์แค่บุคคลหรือวิ่งแค่หญิงแค่ชายแค่นั้นอันนั้นมันเป็นเป็นนามสมมุติเป็นสมมุติเสีแล้วเป็นบัญญัติเออบัด น, นี้เราจะแยกแยะอันไหนมันเป็นหญิงอันไหนมันเป็นชายเออท่านบอกว่าดินสภาพสภาพมันเป็นยังไงดินก็เป็นสภาพอันแข่นแข็งเออสิ่งไหนมันแข่นแข็งสิ่งนั้นเรียกว่ า, าธาตุดินเออ สิ่งไหนเป็นเหลวของเหลวเรียกว่าธาตุน้ำสิ่งไหนมันเด้นหรือว่าพัดไปพัดมาอันนั้นน่ะเรียกว่าธาตุลมสิ่งไหนให้ความอดอุน่นให้ร่างกายอดอุน่นออนั้นละเรียกว่าธาตุไฟมันรวมกันอยู่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่นั่นละ่ะฉันให้แยกแยะใช้สติปัญญาของแต่ละบุคคลเออแยกแยะที้คายดูเออ เมื่อเราแยกแยะที่คายดูแล้วให้เห็นสภาพความเป็นจริงของเขาเราก็ไม่หลงระบาดเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันถึงสภาวะความเป็นจริงเมื่อถึงมันจะแยกออกจากกันแล้วก็ปล่อยไปตามสภาวะความเป็นจริงของเขาเราก็ไม่สะทกสะทานแล้วบาด น, ออนั้นเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาของแต่ละบุคคลเออ แยกแยะที้คายสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นเออปัญญาคือสิ่งเหล่านี้มันสร้างเกิดให้มันเกิดขึ้นได้อยู่ที่การกำหนดการพินิจพิจารณาแต่สัญญานะนำมันเป็นของไม่เที่ยงเออมันลงได้ลืมได้เออแล้วก็สวดแล้วก็ว่าอยู่ทุกเช้าทุกเช้าสัญญาณิจาสัญญาเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็รู้อยู่ แต่เรารู้อยู่อยู่เปลือกนอกไม่ได้รู้เข้าไปข้างในเอเราก็เลยหลงเสียลืมเสียเห้เล่าความเจ็บเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ได้เอามาแยกแยะมากําหนดพินิษฐพิจารณาเออเราว่าเราว่าเราเจ็บเสียเอเราเป็นไข้เสียนั่นมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเอากําหนดมาพินิษฐพิจารณาอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ทุกแต่ลมหายใจเข้าออกอ่าบาดนี้จริงแล้วนั้นเกิดขึ้น เราก็ไม่สะทกสถานแล้วบัณฑ์เราก็ปล่อยไปตามสภาวะความเป็นจริงเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นให้เราพยายามฝ่าพฤ่อปฏิบัติตั้งแต่เรายังมีลมปานเนี่ยหละอยังเรายังไม่ได้มีความเจ็บยังไม่ได้เข้ามาเบียดเบียนอความไข้ยังไม่เข้ามาเบียดเบียนเี่เราจะไปรอเวลาตนเวลาความเจ็บความไข้มันเกิดขึ้น เราจึงจะมากําหนดมาพิจารณาอันนั้นมันไม่ทันการเออเพราะเราสติยังไม่พร้อมเ อ, อเหตุฉะนั้นท่านจึงให้พยายามสร้างสติไว้ตั้งแต่เรายังมีลมปานอยู่นี่แหละการผ่าพืชปฏิบัติเหตุฉะนั้นต่อไปต่างคนต่างกําหนดต่างคนต่างพินิษพิจารณาเออจนสมควรเจตเวลาถ้าเรามีศรัทธาเราก็นั่งไปเรื่อยๆ เออเวลาออกอย่าไปวุ่วามออกเออถ้าไปวุ่วามออกเราไม่กําหนดไม่ได้พินิษ พ, พ, พิจารณาเวลาเรากลับไปถึงที่ภาคของเราเราจะทําต่อมันก็เลยไม่เกิดเออมันไม่ต่อเนื่องกันเพราะเราลงฐานของมันการผ่าพืชปฏิบัติ เม่จริงเราจะมาฟังแต่อุบายอย่างเดียวเรานั่งนั่งอยู่นี้ทำมันก็เกิดขึ้นอยู่ทุก อ, อทุกวินาทีเออแต่เราไม่เข้าใจเพราะเรายังเพลิดเพลินอยู่ตามสัญญาอารมณ์อย่างอณิจังก็เป็นธรรมทุกขังก็เป็นธรรมหน้าตาก็เป็นธรรมนั่นมันอยู่นั่นธรรมทันจึงว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของเลิศทุกเป็นของประเสริฐ ควรกำหนดควรมาเอามาพินิจพิจารณาเออนั่นถ้าเรากำหนดมาแยกแยะมาพิพนิจพิจารณาอยู่เรื่อยๆเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ไม่แต่จโรคสะท้านเออเราก็ปล่อยไปตามสภาวะความเป็นจริงของเขาเสียนั่นแหะเมื่อมันทุกข์เขานานๆเข้ามั น, น, นทนไม่ไหวเราก็สาระไปเสียนั่นแหะเมื่อยังมีลมปานอยู่เราก็มีหน้าที่รับผิดชอบกันไป เออมันเป็นอย่างงั้นการประพฤติธปฏิบัติเมื่อเราไม่ประมาท ถ, ถ้าเราประมาทเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นใจเราก็หงอเียวใจเราก็เศร้าหมองปล่อยให้เมื่อใจเศร้าหมองแล้วปล่อยให้ร่างกายเศร้าหมองไปด้วยนั่นเป็นอย่างนั้นอืมเราดูนี่เวลาคนครูบาอาจารย์เนี่ยที่เราท่านเคยประพฤติธปฏิบัติได้แล้วเคยภาวนามาสะพาน เออการทนทุกข์ทรมานการการฝึกมาอย่างซ้าชองนั้นแหละเวลาท่านป่วยท่านเจ็บท่านไข้ท่านจะกำนัลพิจิีรพิจารณาอยู่ท่านไม่เป็นสะทกสท้านกับสิ่งเหล่านั้นเออท่านปล่อยไปตามสภาวะความเป็นจริงเมื่อมันทนไม่ไหวจริงๆท่านก็สละไปเสียปล่อยไปเสียเอออยู่ก็เท่าเท่าเดิมออไปก็เท่าเดิมเพราะว่าท่าน รู้แล้วว่าท่านจะไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนเออนั่นอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนพวกเราดังท่านเอออย่างเราเนี่ยเมื่อความเจ็บความปวดขึ้นมาความไข้ขึ้นมาแล้วก็ใจก่อห่อเหี่ยวเสียใจก็เศร้ามองเสียเออกลัวแต่จะของจะตายเออนั่นมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าใครตายแน่เ อ, อแต่สึ่งเหล่านี้เขาไม่ได้ตายเออถ้าพูดตาม เออปรามัดตัดทำแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ตายเขาสลายไปแต่ตามสภาวะความเป็นจริงของเขาเออตายหรือไม่ตายมันอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นของเราเอออยู่ที่ใจของเราเ อ, อถ้าเรายึดมากก็ทุกมากยึดน้อยทุกน้อยรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยถ้าไม่มีรักก็ไม่มีความทุกข์นั่นแ่ะถ้าเราพพิิินพิพพจารณาได้อย่างนี้ เราก็อยู่ที่ไหนก็สบายเออแต่นั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายอยู่ใ ต, ต้ใต้ล่มไม้ก็สบายนั่นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นต่อไปกำหนดถ้าศรัทธาเรารอแหละมันก็ได้แค่รอแหละแค่นั้นแหละ